หาอีกเนี่ยนะที่ที่ไม่ให้มันเสียหายออกไปเนี่ยนะถึงจะมีมากเนี่ยเขาบอกว่าทุกของคนสแสวงหานี่ยก็นับว่าทุกมากเลินแล้กว่าจะหามาได้ทุกเพราะการรักษามีมากกว่าสมมติได้อย่างบุคคลผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยนะจะหารถบัสให้มันได้สักคันหนึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะถ้าเป็นคนสามัญ ท, ทั่วไปแล้วถามว่ามีรถบัสแล้วบริหารให้มันเป็นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะในไหนยากกันะนะเจ้าของรถที่วิ่งเต็มถนนไปหมดเลยเนี่ยถามว่านั่งยิ้มอย่างมีความสุขไหม ไม่ใช่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันของมันของไม่เที่ยงอ่ะนะเพราะสภาพของเขาเหล่านี้ไม่เที่ยงจริงๆแล้วก็เป็นของว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าจากความเที่ยงอ่ะนะเป็นของที่หลอกลวงทําไมจึงใช้คําว่าของเหล่านี้เป็นของหลอกลวงเพราะมันสมบัติผลัดกันโชมมันไม่ใช่ของใครเออของยอูเหมือนเนี่ยเหมือนไม่ใช่โรงแรมเนี่ยมันมันของใครอ่ะอไม่รู้อ่ะถ้าจ่ายก็ให้นอนอ่ะถ้าเลิกจ่ายเมื่อไหร่เขาก็บอกเชิญได้แล้ว ตอนแรกนะเขาบอกว่าออกได้แล้วแต่ว่าถ้าไม่ยอมออกสักทีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนถึงกับใช้แรงกายนะเนาะเพราะว่าของเหล่านี้มันของอะไรของสาธารณะที่สาธารณะสําหรับผู้ที่มีค่าใช้จ่ายพอที่จะอยู่ได้นะไม่ใช่สาธารณะกับใครก็อยากอยู่ก็อยู่ได้เลยนะพันกามทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาดูก่อนอุบาศกชาวสกกะทั้งหลาย คือนี่นี่พูดถึงแบบชาวโลกนะคนที่สแสวงหาได้มากขนาดนี้ยังไม่มีความสุขอะไรเลยใช่ไหมแต่สาวกของพระองค์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวหมายความว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบปีพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีปฏิบัติสิปีนะทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจอยู่สิบปีเสวยความสุขลน้นลนอยู่ร้อยปีก็มี แสนหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอะไอะทุกมาเจือปนเลยนะเป็นร้อยปีหมื่นปีแสนปีและสาวกของเรานั้นนะ่ะพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็มีเนี่ยนะถ้าเอาจริงเอาจังปฏิบัติอยู่สิปีเลยนะ อนะผลแห่งบุญเหล่านั้นเนี่ยสวยสุขในสวรรค์เป็นต้นตลอดร้อยปีหมื่นปีแสนปีหรือบรรลุอริยคุณทั้งหลายโสดาบันสกกาธาคามีอนาคามีเป็นต้นก็มีพองก็ตรัสต่อไปว่าสิบปีจงยกไว้ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนนี่แหละไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวก็เนี่ยได้รับสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีหมื่นปีแสนปีหรือบรรลุอริยคุณทั้งหลายเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอยู่9ปีหรือแปดปีนะ 9ปีจงยกไว้8ปีนี่แหละ8ปีจงยกไว้7ปี7จปีจงยกไว้6ปี6ปีจงยกไว้5ปีหปีจงยกไว้4ปีสี่ปีจงยกไว้2ปีอ่ปี3ปีจงยกไว้สองปีสองปีจงยกไว้1ปีพึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวทำบุญเอาเจริญตามที่สอนจริงๆเลยนะหนึ่งปีเต็มๆเลยนะหงปีเต็มๆก็ ทีวัน3ามอยหวันเนี่ยนะเอาจริงเอาจังเลยสามร้อยกว่นนาวันเนี่ยสาวกของเราเนี่ยเสวยความสุขโดยส่วนเดียวร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นพึงเป็นสกอาคามีพึงเป็นพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันเลิกมิจฉาปฏิปทาแล้วนะปฏิบัติถูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติตามอำนาจของมิจฉาทิฐิเป็นสมุทฐานเนี่ยนะ ดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายหนึ่งปีจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบเดือน เป็นผู้สสสเสวยสุขโดยส่วนเดียวร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกเหล่านั้นพึงเป็นพระอริยะคือสกทาคามีพระอนาคามีหรือเป็นพระโสดาบันผู้ปฏิบัติไม่ผิดดูก่อนอุบาสกชาวสักกทั้งหลาย10เดือนจงยกไว้ปฏิบัติตามที่พระสอน9้าเดือน8เดือน7เดือน6เดือนหเดือน4เดือนสเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนหนึ่งเดือนจงยกไว้ครึ่งเดือน15บห้าวันปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังอยู่15้าวันเลย โดยที่เรียกว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตกุศลจิตเกิดอย่างเดียวนะตลอดสิบห้าวันไม่ใช่แบบมาอินเดียนะนี้มาใช่นะแต่ว่ามันก็แทรกหลายอย่างไงมันไม่ใช่กุศลล้วนๆนี่พึงเป็นผู้สวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีไม่แน่นะท่าของเราเนี่ยนะท่าบุญที่เราทําเนี่ยให้ผลเนี่ยสุขในสวรรค์ร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีสาวกเหล่านั้นพึงเป็นสกทาคามีเป็นท่านาคามีหรือเป็นพระโสดาบันผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็มีกึ่งเดือนจงยกไว้เอาสิบวันสิบคืนเลย 10วันสิคืนแบบไม่มีการพักผ่อนเลยนะเท่าไรชั่วโมง240ชั่วโมงแบบไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยนะต่อเนื่องกันเลยเนี่ยกุศลจิตล้วนๆเลยนะดีไหมคุณกาตา240ชั่วโมงมนะผลของการทําอย่างนี้นะสุขส่วนเดียวร้อยปีก็มีเออหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีแล้วก็เป็นสกอาธ า, ามีเป็นอนาคามีหรือเป็นพระโสดาบันผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็มีก็บอกว่าสิบวันจงยกไว้เอา9วัน9คืนแล้ว เวัน9คืนจงยกไว้8วัน8คืนหรือ7วัน7คืน6วัน6คืน2ออ่าสวัน4คืน3วัน3คืน2วัน2คืน1วัน1คืนโอ้โหอนุปัสนา7็เนี่ยเกิดอย่างเดียวเลยนะหวัน1คืนเลยนะไม่มีอะไรขั้นเลยอย่างนีพึงเป็นผู้สวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร0อปีก็มีห0 0 0นปีก็มีแสนปีก็มีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีอย่างสุภทานนี้ท่านปฏิบัติอยู่คืนเดียวเองใช่ไหม ดูกร อ, อุบาสกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแลว้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์แปดบางคราวก็ไม่รักษาอุบาสกชาวสักกะควรจะกล่าวว่ายังไงนะเพราะว่าโหเนี่ยนะแสดงว่าไม่มีศรัทธาเลยนะถ้ามีศรัทธาก็ต้องทําตามอย่างที่พระองค์สอนใช่ไหม ก็เลยบอกข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันที่จริงก็เราก็รักษากันอยู่แล้วนะก็เลยอนุมโมทนากับผู้ที่เขารักษาอยู่แล้วเนี่ยนะมันเป็นจารักษาแล้วใช่ไหมอ๋อเอาด้วยเหมือนกันนะอ mm hmm. ดูเป็นจากา่ะยิ่งโตด้วยนะเมื่อกี้เห็นยกมือแต่ว่ายกไม่ค่อยสูงก็เลยรักบะเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่างเงี้ยเหรอคือแต่ก็ให้ดูเรื่องสุขภาพด้วยนะ แต่ว่าพูดโดยรวมๆว่าเออเนี่ยผลแห่งการรักษานี่พระองค์ยกย่องสรรเสริญมากถ้าหากว่าการรักษาอุโบสถไม่ดีจริงเนี่ยพระองค์ไม่ยกสูตรมากล่าวอ้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกแสดงว่าการรักษาอุโบสถนั้นเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผลแห่งอุโบสถเนี่ยนะเขาบอกว่าสมบัติของมนุษย์โลกเนี่ยที่ดวงอาทิตย์สองถึงนะเป็นแต่รัตนะเจประการ เ, เนี่ยแผ่นดินทั้งโลกรัตนะเจประการเนี่ย กล่าวว่ผู้ที่มั่งมีทรัพย์ขนาดนี้โดยเรียกว่าคนมีมหาเศรษฐีใช่ไหมมีทรัพย์สมบัติในที่ดวงที่สองนเัน เ, ปน เ, ปนเป็นเป็นรัตนเจ็ดเป็นแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดเลยนะใครที่มีขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นคนมั่งมีเลยใช่ไหมถามว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความสุขล้วนๆอยู่สักปีหนึ่งได้ไหมมีเท่านั้นนะมีทั้งหมดเหล่านั้นมีความสุขสบายตลอดร้อยปีห0ื่นปีแ 0,000 นปีนี้ได้ไหม ไม่ได้แต่ผู้รักษาอุโบสถถ้าอุโบสถเหล่านั้นให้ผลนําเกิดเกิดในจาตุ ม, มหาราชสุขอย่างเดียวไม่มีป่วยไข้เนี่ยเก้าล้านปีอันนี้ชั้นล่างสุดเลยนะเ้าล้านปีผลของอุโบสถที่รักษาเป็นอย่างดีให้เกิดในดาววดึงเนี่ยนะสามสิบหกล้านปีสามสิบหกล้านปีสุขอย่างเดียวเลยนะถามว่าถ้าดาววดึงเออดาววดึงนี่สาสิบหล้านปีดูสิตเนี่ยสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกหลายเท่าตัว ถ้าดูสิทิ์นี่ก็เกือบร้อยล้านปีแล้วล่ะถ้าเป็นนิมมานารดีก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นเป็นผลแห่งอุโบสถที่รักษาและผู้ที่รักษาอุโบสถเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลอันนี้ก็อบรมส ม, มถาวิปัสน า, าสามารถบรรลุโสดาบันไม่ต้องสเสวยทุกข์ในอบายเป็นต้นพ่า น, นผลของอุบ อ, อ, อุโบสถเนี่ยมีคุณมากอย่างยิ่ง น, นะท่า น, นถ้าหากว่าสามารถรักษาได้ก็ควรที่จะรักษาถ้าไม่รักษาก็อย่างว่า ถ้าไม่รักษาอุโบสถนี่ก็น่ากรุณาเป็นอย่างมากถามว่าทำไมเพราะว่าอุโบสถที่รักษาไปเนี่ยนะตัดต้นเหตุแห่งวัตฏะไปเยอะอย่างในในพระวิไเหนในพระสูตเนี่ยพัทธลิสูตรกล่าวไว้เลยอัตถกถากล่าวว่ามื้อเย็นนี้เป็นมื้อสร้างวัฏฏะมื้อสังสมวัตฏะอย่างเดียวเนี่ยนะมื้อสังสมวัฏฏะอย่างกิจกรรมที่มันทําปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิชฌาจานดื่มสุราและเมรัยในมื้อไหน มื้อเย็นมื้อเย็นนี่เป็นมื้อที่เพอเจอร์มากที่สุดเป็นเพิ่มื้อที่พุทธวิชาสัมผัสปราปะมื้อที่ดื่มสุรามีัยกันเต็มที่มื้อที่สังสมพุงทั้งหลายเนี่ยนะมันก็นะสังสมพุงเป็นต้นเนี่ยก็เป็นอาหารมื้อเย็นซะส่วนใหญ่ถ้ามื้อเย็นนะถ้าบริโภคมื้อเย็นงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์เนี่ยนะก็ต้องไปเกรงใจพวกที้เหล้าทั้งหลายเนี่ยนะไอพวกที้เหล้าไม่ค่อยเกรงใจคนไม่ดื่มเลยนะีย พวกคนดื่มต้องไปคอเกรงใจพวกมึงจริงๆแล้วคนไม่มีศีลที่ต้องเกรงใจผู้มีศินใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนมีสินต้องเกรงใจคนไม่มีสินคนดีต้องเกรงใจคนชั่วนะคนชั่วไม่เกรงใจคนดีเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นอันถ้าเรามีโอกาสเนี่ยการรักษาอุโบสถเนี่ยจึงมีคุณมีอุปการะคุณเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะนึกถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนึกถึงชีวิตของสัตว์ใดเราก็ไปดีอะ เพราะสมาทานอุโบสถที่ไม่ฆ่าสัตว์เหล่านั้นแล้วนึกถึงทรัพย์ของผู้ใดก็ไปดีเพราะเจตนาที่เป็นเหตุคิดอธินาทานก็ไม่มีคิดถึงเพศตรงกันข้ามก็ไปดีหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคยคิดจะล่วงละเมิดอะไรเพราะมีศีลกำกับอยู่จับสิ่งใดที่พูดถึงก็มีศีลรองรับอยู่สุราทุกขวดที่นึกถึงก็ไปดีหมดเพราะไม่เพราะมีศีลน่ะนะอาหารเย็นทุกมือ้อโอ้ไปดีหมดเลย วัะอาหารทั้งหมดก็คือเป็นประตูแห่งอุโบสถของเราที่เราก็รักษาได้เนี่ยนะนะเครื่องประดับดอกไม้ระเบียบของหอมเป็นต้นที่ตั้งที่รูปที่ไล่เครื่องรูปเครื่องไล่ตลอดจนถึงที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นต้นเนี่ยนะที่สูงเกินยี่ิบสี่นิ้วเป็นต้นก็ก็ถูกตัดขาดออกไปเนี่ยนะท่นะานก็ถือว่ายี่สิสี่นิ้วช่างไม้นะยีิบสี่นิ้วช่างไม้นะี่ยาวนะก็สักสองฟุตสองฟุตอ่าใช่เอ่อ ประมาณหกสิบเซ น, เซนใช่ไหนไม่ตัวขามันนะตัวขาที่แม่แค่เบื้องล่างอะ่ะจะพาะข า, า, า, ก, าก็ไม่เกี่ยวแล้วขาถ้าขาซ้อนกันยังได้เลย<ม>ขาซ้อนกันสูงกว่านั้นได้แต่ไม่ใช่ขาเดียวโดดๆนะลักษณะเตียงซ้อนนี่ก็ได้ไม่มีปัญหาก็ <S <S> <S <S> คือเพราะว่าในนั้นเนี่ยเหมือนพระวินัยของพระพิสุเลยเหมือนพระวินัยของพระพิสุเลยไม่ไม่ต่งที่บอกว่าเออเป็นที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นด้วยสัมฤกเนี่ยจุดประสงค์ก็คือไม่ไม่ให้เพลิดเพินกับการสวยภัสสะสวยพัสสะแต่ว่าที่นอนบางอย่างไม่ใช่นุ่นสัมฤกแต่ว่ามันสบายกว่าฝานุ่นสัมฤกษ์มากเลยเงี้ยก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะก็อย่างที่เคยกล่าวว่าถ้ารังเกียจก็ ก็อย่าอยานอนทําไม่รังเกียจล่ะเพราะเราก็คือคืออย่างว่านะมหาประเทศจริงๆก็พระ อ, องค์ก็อนุ ญ, ญาตให้ใช้แต่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าขอบเขตนี่แค่ไหน อ, นะอันนี้นี่ของมาส่วนตัวแล้วบางเรื่องก็ไม่ไม่ค่อยวิจารณ์เพราถ้าอะไรที่จะเป็นไปรักษาแล้วสบายใจก็ควรควรทําเช่นนั้นเนี่ยนะแต่ว่าเพราะในโบราณมีแต่ข้างในยัดด้วยนุ่นสำลีใช่ไหมตอนที่พระงษ์บัญญัติแสดงไว้แสดงไว้อย่างนั้น แต่ว่าหลังจากนั้นเอาไม่ใ ช, ไใช่ไม่ได้ใช้นุ่นใช้สำลีแล้วเนี่ยก็ลงว่าได้หรือไม่ได้ก็ต้องไว้ถามพระพุทธเจ้าอีกแลนวะแต่พระวินัยก็คือพระสงเคราะห์เนี่ยอย่างที่ว่าสงเคราะห์มากยิ่งยุ่งมากเพราะจริงๆแล้ว ถ, ถ้าเริ่มสงเคราะห์มานะความคิดจะเริ่มวิจิตขึ้นมาแล้วเอาโดยที่สุดนะไอลักษณะการสงเคราะห์นะแม้กระทั่งพระพิสุตสมัยพุทธกาลก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันเลยเช่นพระอรหันต์ด้วยนะเอา คือที่พระองค์อนุญาตก่อนปรินิพานว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายว่าสงฆ่าประสงค์จะเพิกสิกขาบทเล็กน้อยที่เราบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็จงเพิกกันเถอะพระมหากรสปาก็เลยมาถามที่ประชุมพระารหันทั้งหมดเนี่ยถามว่าอะไรควรจะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยบางท่านบอกทุพภาษิต์เล็กน้อยเพิกเะบางท่านก็บอกว่าทุพภาษิตกับทุกกฎเล็กน้อยบางท่านบอกปฏิเทศนิยัด้วยเล็กน้อยบางท่านบอกปาจิตีก็เล็กน้อยบางท่านก็อะไร จนถึงแม้กระทั่งสังคาที่เศษก็ยังเรียกเล็กน้อยเนี่ยนะพันศิขาบทใหญ่คือประราชิกอย่างเดียวพันท่ารันสมัยนั้นก็สํานวนว่ายัางวินิจฉัยไม่ลงตัวว่าพุทธพจน์ ท, ที่เรียกว่าเล็กน้อยเนี่ยคืออะไรพระมากาสปะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าศิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติคารวาะเขาก็รู้เดี๋ยวเขาจะว่าเราทั้งหลายเนี่ยประพฤติศึกตามสิขาบทตามที่พระพุทธเจ้าสอนช่วงควันไฟนะช่วงควันไฟที่ ถอยเพลิงอะนะเราไม่ควรทําอย่างนั้นเพระสมาามาธรรมประพฤติศึกขาบททั้งหมดอันนี้คือความเห็นของพระมหากระสปะซึ่งสง์ก็เห็นด้วยแต่ว่าพระพิสูจน์แต่ละรูปที่อยู่ในที่นั้นวินิจฉัยละ่ะคิดคนละอย่างกันตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระ้าหันท้องใสจะทะเลาะกันอยู่เหมือนกันนะคือคือไอความเห็นออกมาปาบอ้าวทุกคนก็จะมีเหตุผลใช่ไหมท่านแต่ละคนเนี่ยถ้าใครรังเกียจก็ก็อย่างว่านะ ก็รักษาศีลไม่ใช่ไปเที่ยวรักษาให้คนอื่นใช่ไหมคงรักษาเอาคนของเรามาั้งเพราะว่า ส, สุขคติทุคติเป็นเรื่องเฉพาะตัวอยู่และท่านก็ในแง่ตรงนี้เนี่ยหลายๆเรื่องก็เราก็ค่อนข้างสงสารอยู่ส่วนไอ้ขาเกินยี่ี่นิ้วถ้าซ้อนสูงเนี่ยไม่เป็นไรถ้ า, ามาซ้อนแม่แค่เบื้องล่างนะถ้ามีแม่แค่เบื้องล่างอกีกอันนี้ก็อนุญาตอยู่แล้วในใ น, ในพระวินยัยคือแบบนี้รักษาศีล ส, สิบได้ไหมคราวว่ารักษาศีลสิบได้ไหมก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครานนี้ มีเงินในธนาคารเยอะเลยคือลักษณะการรับอ่ะนะก็ ก, ก็ก็ตามรับแบบลักษณะของสิกขาบทก็คือการรับการอะไรเนี่ยคืออย่างอย่างพระพิสูจ์จริงๆเนี่ยอย่างอย่างสมมติว่าพระพิสูนเนี่ยในทางพระวินัยก็คืออ่หลักการ่ะนะถ้าถ้าตามตามพระวินัยอย่างละเอียดก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้อย่างบางคนก็กถามอ้าวไม่สมมติาพระบางรูปไม่มีสตังแต่ทำไมไปที่ไหนมาไหนได้หมดเลยใช่ไหม ฉันเกี่ยวกับคารวะที่จะรักษาอุโบสถท่าทีา่รักษาศีลสิบก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าในลักษณะนั้นคือที่เหลือก็พยายามอยู่แบบใช้สมณะโวหารเนี่ยนะใช้ลักษณะสมณะโวหารทั้งหลายก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะคิดว่าทําได้อยู่แล้วคือไม่ใช้เงินทองแต่ว่ามันมีเงินทองเก็บอยู่ค สิกขาบทเหล่านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับของมาก็เชื่อว่าเหมือนกับที่เขาปวรณาปัจใจสี่พระพิสุท์ทั้งหลายจะจะเป็นสัมเนธนี่มีเก็บไม่ได้เก็บทรัพย์ได้สัมเนธไม่รู้ไม่ไม่ต้องมีไม่ได้นี่ครับสัมเนนี่ไม่ต้องสละใช่ไหมไม่มีสิกขาบทว่าด้วยการสละใช่ไหมไม่มีเมื่อไม่มีสิกขาบทว่าด้วยการสละเนี่ยนะก็ทางพระวินัยเนี่ยกล่าวว่าอย่างนั้นจริงๆว่าไม่มีสิกขาบทว่าถ้าสัมเนรับสตังมาผิดศีล ทำธรรตกรรมซะมันก็หมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าในทางวินาทางสัมมเนนก็ไม่ได้บอกว่าสั ม, มเนนต้องทํำยังไงกับสตังเหล่านั้นจะต้องสละแบบพระพิสุกก็ไม่มีศิกษาบทว่าจะต้องไปทําแบบนั้นแบบนั้นต้องทําเหมือนพระพิสุกทุกอย่างเนี่ยนะมันก็ไม่มีอ่ะเมื่อโดยที่สุดแม้แต่สัมมเนนยังไม่มีกล่าวแล้วจะกล่าวไปยายถึงอุบาสกพนันธ์ก็มันยากที่จะวินิจฉัยนะโดยเฉพาะวิบัญญัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติขึ้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลให้สาวกประพฤติปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำนัลในในวะตาทั้งหลายที่จะเป็นบาดให้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงซึ่งในการวินิจฉัยพระวินัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าตรงๆพยัญชนะนเรียนไม่ค่อยยากไอ้ที่ยากก็คืออะไรนะเริ่มซิกแซกขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะเริ่มยากมากมันก็หลายๆคนที่ซิกแซกมากในทางพระวินัยเนี่ยคือความเห็นมันเปลี่ยนได้อีกตอนอีกช่วงหนึ่งก็บอกว่าได้อีกช่วงหนึ่งก็บอกว่า ไม่ได้อีกช่วงหนึ่งก็ว่าได้อีกแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ว่าไม่ได้อีกแล้วเพราะแปรลักษณะที่ที่โยงส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยมีความมาตรฐานที่แน่นอนสักเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกจะมีตัวอย่างในในพระสูตรที่ชะดินสามพี่น้องตอนที่เป็นราชบุตรท่านก็นุ่งผ้าก า, าญสายะและศาศา้วก็รักษาศีลสิบท่านก็คงไม่ได้สระราชสมบัติอะไรครับก็ นั่นก็ไม่ได้สละอะไรเพราะว่าพอครบสามเดือนท่านก็ศึกมาตามเดิมเท่าก่อนที่จะก่อนที่ท่านจะรักษาศีลสิบท่านก็จัดแกงไว้เสร็จแล้ว ท, ท่านไม่ได้บวชไม่ใช่เหอ่าก็อยู่รักษาศีลสิบก็เหมือนกับสัมมาเนเนะนะประพฤตเหมือนสั ม, มนเนนเลยรักษาแบบสัมมนเนนทั้งๆ ท, ท, ที่ก็พอบุตรภริยาอะไรก็ยังอยู่ตามเดิมหมดทั้นทั้งก็พอก่อนออกพรรษ า, าท่านก็กลับมาเป็นชาวบ้านปกติแล้วก็ได้ทําบุญเลี้ยงพระออกพรรษ า, าอีกครั้งต่อไป แต่ว่าก่อนที่จะทําอย่างนั้นก็จัดแจงอย่างอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะที่ก็ลองรักษาดูนะว่าอะไรที่เป็นไปเพื่อขูดขัดเกลาขึ้นว่าลองลองศึกษาดูนะว่าทําแล้วสบายใจก็ควรควรกระทําเหมือนอุโบสถเนี่ยนะถ้าเราอยากพัฒนาเพิ่มจากศีลห้าถ้าทำแล้วดูพอทําได้ทําแล้วก็ผาสุกเป็นต้นเนี่ยนะก็ทําไป ถ้าหากว่าทําไปแล้วก็ไม่พาสุขก็ไม่ควรทําเนี่ยนะอย่างว่าถ้าทําแล้วไม่ไ ม, ไม่พาศึกอุศลก็ไม่เจริญเครียดก็เครียดอึดอัดก็อึดอัดหงุนงิดก็งุหงิดเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่เหมาะกับเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราก็ควรยินดีกับคนที่เขาทําได้ใช่ไหมเราก็ควรมุที่ตากับคนที่ทําได้อนุโมทนากับผู้ที่เขาทําได้อุโบสถเหล่านี้เนี่ยนะถ้าใครสมท า, านเอาไว้บ่อยๆเนี่ยอย่างว่าพวกนี้เป็นตอนหลังเป็นอนุสติได้เป็นอะไร ศีลานุสติใช่ไหมก็ามานันมาแล้ลึกว่าแม้นี่ก็เป็นศีลของเราหรือเอาไว้เจริญเทวดานุสติก็ได้ว่าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านก็ทําเช่นนี้แหละแม้เราก็ทําเยี่ยงกับพระอริยะสาวกทั้งหลายหรือเทวดาเหล่าใดที่ท่านประพฤติกุศลธรรมเหล่านี้แม้เราก็ประพฤติชเช่นกับเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเป็นกุศลธรรมที่ควรประพฤติควรบําเพ็ญ ซึ่งก็เป็นอริยทรัพย์นะนะถ้าถ้าเรามองว่าเป็นทรัพย์การรักษาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่อย่างบางคนที่เขาห่วงพระพิสูจน์บางรูปที่ท่านรักษาวินัยเนี่ยนะก็บอกโอ้โกลัวจะลําบากจะลําบนเนี่ยนะแต่ความเขา้าใจความเห็นเขเอาจะมาบอกว่าถ้าไม่รักษาวินัยเสียอันนี้น่ารับน่าเป็นห่วงมากๆถ้ารักษาถึงจะลําบากบ้างก็ไม่น่าเป็นห่วงถ้าไม่รักษานี่น่าเป็นห่วงเหมือนกับอย่างว่าบางคนเนี่ยเช่นสมาทานศีลห้าการประกอบอาชีพก็ยากขึ้น รายได้เป็นต้นก็นลดลงถามว่าเขาหน้าสงสารใช่ไหมจริงๆแล้วไม่น่าสงสารถ้าเทียบกับที่เขาต้องไปทุศมสินเพราะถ้าเขาทุ่มสินเนี่ยเขาน่าสงสารมากกว่าเพราะว่าหน้าสงสารในภพหน้าเป็นต้นมากกว่าแต่ถ้ารักษาศินดีเนี่ยนะถึงเขาลําบากเขาก็ไม่ลําบากเท่ากับกรรมกรคนงานจับกลางหรอกก็ไม่ได้ถึงระลับลำบากอะไรมากมายถึงยังไงก็พออยู่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าวิาวนจวิจารณญาณจริงๆของเราว่า โลกนี้ทั้งมวลนี้อะไรคือสาระใช่ไหมก็ต้องดูว่าถ้าถือตามความเห็นของมารก็ต้องวัตถุกรามสิเป็นสาระถ้าถือตามพระพุทธเจ้าศีลคือสาระสมาธิคือสาระปัญญาคือสาระแม้กระทั่งอมตะมหานิพานนี่นแหละชื่อว่ามหาสาระสาระอย่างแท้จริงทีนี้ผู้ที่ประสงค์สาระคือศีลสมาธิปัญญาจนถึงพระนิพานเนี่ยยังอาวนในสังขารทั้งมวลเนี่ยเป็นไปได้ไหม จริงๆแก้แหวนเงินทองเบื้องหลังจริงๆก็คืออะไ ร, รก็มหาพูดเนี่ยนะถ้ายังอาวอนในมหาพูดก็ยากเหมือนกันนะที่จะได้คุณธรรมชั้นสูงคือสมรถและวิปัสสนาเพราะหวงแหนเรื่องมหาพูดเหลือเกินเนี่ยนะนก็พยายามทำความเข้าใจให้ดีเ ก, กียวกับรักษาศีลเนี่ยนะปัญญานี่เป็นเครื่องมาชำระศีลถ้าปัญญาไม่ค่อยดีเนี่ยยากที่จะรักษาศีลได้ได้นานได้ยาวและได้ยาง ต่อนเนื่องเพราะศีลนี้เป็นตัวที่รักษ า, กษารักษ า, าปัญญาเนี่ยเป็นตัวรักษาศีลขณะเดียวกันเมื่อรักษาศีลดีแล้วศีลจะเป็นเครื่องรักษาปัญญาด้วยเพราะว่าปัญญาเนี่ยอะไรทําให้ปัญญาเศร้ามองบอกอุทจักขุกุจจะนี่ทำให้ปัญญาเศร้ามองถ้ารักษาศีลดีจะอุทจักขุกุจจะไหมก็ไม่อุทจักขุกุจจะเพราะฉะนั้นศีลก็รักษาปัญญาปัญญาก็เป็นเครื่องบริหารให้ศีลเป็นไปได้อะไรนะเหมือนกับว่าระหว่างเจ้านายกับ ลูกน้องเนี่ยใครช่วยเหลือใครกันแน่จริงๆก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนะเรียนกะ ว, ว่าอุปการะซึ่งกันและกันศีลกับปัญญาก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นมักมีองค์8ปพระองค์จึงไม่ปฏิเสธทั้งศีลสมาธิและปัญญาเพราะศีลทั้งศีลสมาธิปัญญาที่สามขี่กันบริบูรณ์นั่นแหละทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่ยนะนะผมยังสงสัยเรื่องศีลสิบอยู่ฮนะที่ว่าข้อที่ไม่ใช้เงินทอง หมายถึงไม่จับไม่ใช้แล้วให้คนข้างๆมาใช้ได้ไหมครับไม่ใช่วันนั้นผมมีอยู่วันหนึ่งผมก็จะคิดว่าตัวเองน่รักษา ส, าสินสิบก็อบอกคัญญากับรถแล้วให้ค่าทางดว่วไปแล้วผมไม่จับนะแล้วตกลงนี่เป็นวันนั้นผมก็ไม่ได้ใช้เงินว่าเป็นสินสิบนะอืัแค่เขาสงสัยผมจะได้เป็นสินสับเนี่ยนะนนะก็อย่างอย่างทั่วๆไปอย่างพระพิสูจนเนี่ยจะเอาอะไรนะถ้าถ้าเราเปรียบแบบสินของพระพิสูจนใช่ไหมพระพิสูจน์เนี่ยซื้อขายไม่ได้ ซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้นนะสมมุติถ้าของมาอยากได้สมมุติอยากได้น้ําเนี่ยบอกผู้การไปหาน้ํามาให้ทีผู้การไปขอเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วก็ต้องไปซื้อออกมาเนี่ยเลยอันนี้ถามว่าอันนี้เรียกว่าใช้แบบสมณะโภหารคือถ้าทางพระพิสุทธ์จริงๆแล้วมีศิกษาบทลักษณะนั้นเนี่ยนะแล้วเออเนี่ยอยากได้ปากกาเนี่ยนะบอกโอน๊นะครับผู้การไปหาปากกามาสักสองอันอยังไงนะแล้วก็ใช้ได้กันเนี่เอา ท่านไม่มีสตังแล้วท่านมีปากกาได้ยังไงไงผลท่านใช้ให้คนอื่นซื้อมันก็เหมือนกับซื้อเองนั่นแหละเนี่ยคืออันนี้ก็คือมันเลยทงไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกพระวินัยบัญญัติก็เอาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติเอาไว้เพราะว่าพระองค์แสดงอะไรศีลเนี่ยสำเร็จด้วยปาฏิโมกข์นะสาเร็จด้วยศรัทธาก็ศรัทธาที่จะปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนีใน้ในด้านการตีความเนี่ยถ้าตีความอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะ ที่ไม่มีในหลักเนี่ยมันเท่ากับโจทย์ว่าผู้อื่นผิดในตัวเหมือนกันการตีความนะการตีความถ้าเราตีอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าตีความเนี่ยมันเป็นความเห็นของเราที่พึ่งอะไรนะกริริยาของเราเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ขัดกับคนอื่นเ้าหมดแหละอย่างหลายๆเรื่องก็มีอาจารย์บางท่านเขาว่าพระพิสุนั่งรถยนต์ไม่ไดไ้เขาก็วิจัยอย่างนี้ไปเลยทีนี้ถ้าคนพูดเป็ น, ปนพระเองแล้วบวชขึ้นมาพูดเนี่ยนะ เราเราก็อยากเชื่ออยู่เหมือนกันนะแล้วต้องไม่นั่งให้เราดูด้วยนะเออโอ้เขามีศรัทธาเขาทำได้แต่จริงแล้วเป็นคารวะแล้วพูดคํานี้ออกมานะแล้วให้พระพิสูจนทั้งประเทศเป็นต้นปฏิวัติตามว่าพระพิสูจต้องไม่นั่งรถนะนะเพราะอะไรเข้าไปตีความจีงกับอะไรนะผู้หญิงนั่งยานที่โคตัวเมียใช่ไหมสตรีขับอะไรอยนะ่างเงี้ยก็ไปตีความเรื่องนั้นอนะ่ะทีนี้มันก็เริ่มยุ่งแล้วนะถ้าตีความเนี่ย ยังก็มีบางกลุ่มตีความว่ารองเท้าต้องใช้หนังแท้ๆด้วยแล้วต้องหนาสีชั้นด้วยในปัจจันตชนบทต้องสีชั้นด้วยถ้ายังอื่นถือจากนี้ผิดหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นอ่ะรูโจดคนอื่นว่าผิดโดยโดยธรรมชาติแล้วก็มีอีกตั้งหลายเรื่องไปที่ที่คล้ายๆลักษณะเนี่ยนะมันการตีความอย่างหนึ่งมันก็จะไปไปมีปัญหาอีกอีกอย่างหนึ่งเหมันการในด้านพระวินัยนั้นขอมานะปิดกสามในกลัววินัยที่สุดกลัวเรื่องตีความ แค่เรียนเอาไปทําเองปฏิบัติเองนี่ไม่รู้สึกว่ายากเท่าไหร่แต่ถ้าต้องเป็นผู้กล่าวผู้สอนเนี่ยตรงนี้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยโสมนัตเลยเพราะเห็นพระพิสูุรหลายๆรูปที่ท่านกล้าตีความเนี่ยนะอย่างบางท่านตีความในช่วงหลังมาก็ว่าเนี่ยวัดอโศการามเนี่ยขาดอุโบสถตั้งเจ็ดปีเพราะชาระอุโบสถไม่ได้ยุคนี้ก็ชําระอุโบสถไม่ได้ก็เลยไม่ต้องลงปาติโมกไม่ลงปาติโมกก็ไม่ผิดอะไรพอตีความอย่างนี้เข้าทั้งกลุ่มก็ไม่มีการลงปาติโมกอีกเลย พอไม่ลงปฏิบมกขถืออะไรเขาถือว่าชําระอุโบสถไม่ได้ถ้าชําระอุโบสถไม่ได้ชําระสีมาอย่างนั้นไม่ได้ก็แปลว่าคุณก็พูดถ้าพูดจริงๆก็บอกว่าแสดงว่าบทไม่ขึ้นแล้วนะถ้าจะตีความโยงให้หมันเรื่องยาวเลยนะมันก็จะเริ่มเออเนี่ยมันก็สวดไม่ขึ้นนะเพราะชําระอุโบสถไม่ได้มันก็จะเริ่มปัญหาตามมาอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยพรานในด้านของพระวินัยนั้นในยุคนี้เรียกว่าขาดอะไรนะขาดการเชื่อมต่อมาแล้ว แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้สมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนะคนยุคสมัยแล้วชื่อชื่อของใช้บัญญัติกับภาษาสมัยนั้นแล้วมาเป็นภาษาสมัยใหม่แปลออกมาถามว่ามันภาชนะสิ่งเดียวกันอยู่รึเปล่าอะไรอย่างเขาแปลชื่อต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะพวกเราก็ไม่มีตัวอย่างสมัยพุทธกาลมาใช่ไหมมีรูปประกอบด้วยชื่อชื่อนี้ต้นตัวไม้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างยากเพราะมีบางอย่างก็มีตั้งหลายความคิดหลาย หลายที่ถีด้วยกันถ้ า, อ ย, า, าอย่างมาถ้าเรียนจะมาดูต้นไม้ใบหญ้าแถวอินเดียนะต้นเหมือนบ้านเราก็มีต้นสะเดานี่แหละต้นว่าต้นโพอ่ะมีอยู่ไม่กี่ต้นที่เหมือนบ้านเราที่เหลือไม่เห็นเหมือนต้นไม้บ้านเราสักอย่างเพราะว่าพันธุ์มันคนละอย่างคนละอย่างก็มีไม่กี่ต้นที่มันเหมือนเหมือนกันดังนั้นถ้าถ้ากล้าตีความอะไรจะเกิดขึ้นข้าวของเครื่องใช้ของสมัยนั้นกับสมัยนี้นนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลเลหลายอย่างที่เรียกว่าโดยเฉพาะพระวิไนัยนี้ก็ค่อนข้าง ยากทีนี้ย้อนมาประเด็นที่คุยเรื่องว่าไอ้ข้างนายัดดีกว่าแล้วก็ไปพูดอะไรที่มันแน่ใจหน่อยดีกว่าไปพูดอะไรที่ไม่ต้องลำบากใจในภายหลังดีกว่ า, าเห็นไหมอันนั้นน่าสนใจมากกว่าการเจริญกุศลธรรมก็ลักษณะเดียวกันให้ถือเอาอะไรที่มันค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ชัดเจนเป็นหลักตรงไหนที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เอาไว้ก่อนอใครมีประเด็นอะไรที่จะสนทนาอีกไหมศาสนิฐานเองก็เชื่อว่าแถวนี้คือบริเวณนิโครธารามบุพภัณนิโคร